ความรู้ที่เกิดจากการค่อยรพินิษพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมและจะได้มีความเข้าออกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปัญญาชนิดที่สามเรียกว่าภาวนามายะปัญญา อันนี้เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสมาธิความสงบของใจคือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้นำมาค่ากวพนพนธพิจารณานี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้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 ที่จะดับความทุกข์ด้วยการละเหตุของความทุกข์คือความอยากสามชนิดด้วยกันได้แก่กามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาความอยากทั้งสามชนิดนี้จะละได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิประกอบด้วยปัญญา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 อยากได้อะไรก็จะไม่สามารถเก็บสิ่งที่ได้ไว้ไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพลาดพลาดจากกันพอมีการพลาดพลาดจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่เราพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารัก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 นั่นเองดังนั้นปัญญาจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้จะต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนอย่างที่พุทธเ จ, จ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วปัญญาที่สมาธิได้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่มีคุณมีประโยชน์มาก ก็จะทำให้จิตที่มีปัญญาแบบนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนี่คือปัญญาชนิดที่สามคือภาวนาเมยปัญญาเป็นปัญญาที่ผสมกับสมาธิภาวนาก็แปลว่าสมถะภาวนาปัญญาก็คือ สุตตะและกินตามยปัญญาเมื่อมีสองชนิดนี้รวมกันมีทั้งสมถะภาวนาคือมีสมาธิความสงบมีอุเบกขาและมีปัญญาที่สอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันพัดพากจากเราไป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 ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเราไปเอาทุกเข้ามาใส่ใจเราทําไมเหมือนกับคำที่พูดว่าเอาเอาเหามาใส่หัวทาไมหัวเราสะอาดอยู่ดีๆไปเอาเหามาใส่หัวให้มันสกปรปกทาไมให้มันคันทําไมแต่ที่เราหยุดเอา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 ไม่อยากที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจให้กันเราก็ต้องมาเจริญปัญญาชนิดที่สามนี้ตอนนี้เรากำลังเจริญปัญญาชนิดที่หนึ่งคือสุตตะเมยกปัญญาคือความรู้เกี่ยวกับความทุกข์ความรู้เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นความรู้ว่าทุกข์นี้ดับได้ และเหตุที่ทำให้ทุกนี้ดับได้คืออะไรก็คือปัญญานี่เองคือสติสมาธิปัญญาเพราะจะต้องมีสมาธิสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสติเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้เมื่อมีสมาธิแล้วพอเอาปัญญามาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราใจก็จะปล่อยวางใจก็จะไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรต่างมาเป็นของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็จะทุกข์เล้ยสู้อย่าไปเอามาดีกว่าสู้อยู่เฉยเฉยดีกว่าอยู่เฉยเฉยกับความสงบ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 เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นของเราไปตลอดเรียกเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราหลงกันไปคิดว่าเป็นความสุขเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเกล่นรสต่างๆ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 จนจิตได้รวมเข้าสู่สมาธิเป็นสักแต่ว่ารู้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหรือแต่อุเบกขาคือความเป็นกลางของใจใหญ่ที่ปราศจากอาคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงอันนี้เกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งของใจ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 พอออกจากสมาธิมาความสุขอันนี้ก็จะถูกทำลายไปถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภาะถ้าเกิดการภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นต่างๆถ้าเกิดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆ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 เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาบยศเสร็เสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดสพะและร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของใจนี่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรที่จะอยากมีอยากเป็นอยากได้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 ที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเป็นภาวนามยะปัญญาที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เวลาเกิดการมาตัญหาก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสิ่งที่การมาตัญหาอยากได้คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็น บบุคคลนั้นบุคคล น, น, น, น, นี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ต้องพิจารณาความไม่สะอาดความสกปรปกของอาหารเวลาที่เข้าไปสัมผัสกับน้ำลายในปากหรือเวลาเกินเข้าไปในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมาก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่า ขยะขยะไม่น่ารับประทานก็จะทำให้ละความอยากในการรับประทานอาหารได้ถ้าเห็นบุคคลที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองเห็นว่าเป็นไม่สวยไม่งาม น, น่าเกลียดหน้ากลัวเราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็ต้องดูความน่าเกลียดหน้ากลัวของร่างกายจนดูเข้าไปภายใน ภายใต้ผิวหนังดูอาการต่างๆอาการสามสิบสองผมขนเล็ดฟันหนังเนอยนกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีสษนน้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนืยน้ำมันค้น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 เช่นโครงกระดูกเช่นตับไตไส้พุงต่างๆถ้าเห็นแล้วความอยากจะได้เขามาร่วมหลับนอนมาเป็นสมบัติก็จะหายไปเช่นเวลาคู่ครองตายไปนี้ก็ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านอีกแล้วยกให้วัดยกให้ศับท์เปรตไปเพราะเห็นว่าเป็นซากศพไปเสียแล้ว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 การหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายกันแล้วเมื่อไม่ได้พิจารณาก็จะไม่จดไม่จํพาพอเกิดความอยากในสิ่งต่างๆก็เลยไม่สามารถที่จะเอาปัญญานี้ออกมาสอนใจให้หยุดทําตามความอยากได้<ม>ก็เลยไปทําตามความอยากแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกข์ทั้งขณะที่ไปเอาไปหามา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 เพื่อที่จะได้มีร่างกายไว้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต่อไปใจก็จะต้องหมุนเวียนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายไปหลายหลายรอบด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายรอบนี้แล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายรอบต่อไปแล้วก็ต่อไปต่อไปเรื่อย ถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็หยุดการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ถ้าไม่มีปัญญาและสมาธิเป็นคู่ต่อสู้เป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับตัณหาความอยากมีปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่า ความยากการทําตามความอย่างนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขต้องมีทั้งสองอยา่างมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถที่จะละตัณหาความอยากและหยุดความทุกข์ต่างๆได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือปัญญา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 ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดตรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดตรงแต่งต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดให้สักแต่ว่ารู้ ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปุงแต่งต่างๆหรือการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเหมือนกันยางเรียกว่ากายกตาสติถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติ คือการเจริญสติด้วยพุทธโธ<ม>ก็เรียกว่าพุทธานุสติการเจริญสติด้วยการเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าดูการหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปณะสตินี่คือการเจริญสติด้วยวิธีต่างๆที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมา แล้วพอใจมีความสงบมีสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาที่สอนใจอยู่ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์การไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ต่งางที่จะเป็นการดับความทุกข์พอใจรู้ว่าถ้าต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องละกามตัญหาละภาวะตัญหาละวิภวะตัญหา เวลาที่เกิดการวัตถนาภาวะวัตถนาวิภาวะวัตถนาขึ้นมาปัญญาก็บอกใจว่าอย่าไปทำตามอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็อย่าไปอย่าไปดูอยากจะเป็นอะไรก็อย่าไปเป็นอยากจะมีอะไรก็อย่าไปมีพอไม่ทำตามความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบ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 ที่เป็นพิษเป็นภยัยจ่าใจคือกามวาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากที่ไม่เป็นพิษแต่เป็นคูณกับใจนี้ไม่ต้องหยุดเช่นความอยากจะฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นความอยากที่ดีความอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นความอยากที่ดีทำไปแล้วจะทำให้ใจมีความสุขทำไปแล้วจะทำให้ใจ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 นั่งสมาธิก็เพื่อที่จะสร้างพลังให้แก่ใจสร้างพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างได้ความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ได้เรียกว่าตันหาเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความยินดียินดีในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจส่วนตันหานี้ความอยากที่เป็นโทษกับจิตใจ นั้นขอให้เราเข้าใจความหมายของความอยากว่ามันมีสองแบบด้วยกันความอยากที่เป็นคุณเรียกว่าฉันทะที่เป็นองค์ประกอบของอิทธิบาทสฉันทะวิริยะจิตตามิมังสาถ้ามีฉันทะมีความอยากจะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็จะมีความขยันที่จะไปฟังมีความมีใจจดจ่อกับการฟัง ใจคิดอยู่กับเรื่องของการฟังธรรมอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆเขาก็จะได้ความรู้ได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์และอะไรที่จะมาดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้เมื่อรู้แล้วก็ต้องนําออกไปปฏิบัติถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องเจริญสมาธิถ้ายังไม่มีปัญญายังมองไม่เห็นสุภาษ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 แต่ใจก็ยังสู้ความอยากที่จะไปทําตามความอยากไม่ได้แล้วก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากเพื่อทําใจให้สงบทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจเป็นกลางเป็นอุบเบกขาปราศจากความรักความชางังความกลัวความหลงแล้วใจจะมีความสุขอยู่กับความสงบพอเกิดตัญหาความอยาก ขึ้นมาความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปถ้าไม่กําจัดความอยากแต่ถ้าพอาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาสกัดกั้นมันทำลายมันไปพอมันหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจไม่มี ความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบไปอย่างถาวรใจก็จะสุขไปอย่างถาวรที่เรียกว่าบรมสุขบาลมังสุขขังนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจโดยปราศจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์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 ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะเอาไปทำลายแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาทำลายก็ไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปใจก็ว่างตไปตลอดว่างจากภารกิจการงานยึมมีแต่การสวยความสุขเพียงอย่างเดียว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 อยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรมากถ้าเราไม่ไปข่ขยควรเดี๋ยวเราก็เลยเราจริงต้องไข้ควรว่าเราต้องมาเจริญสติกันมาปีกวิเวกันมาทำใจให้สงบกันมาสอนใจให้เห็นไตรลักสอนใจให้เห็นอสุภะสอนใจให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารเมื่อเราสอนใจอยู่เรื่อยแั่นเราออกมาปฏิบัติตามที่เราได้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 ไม่มีการพัดผ่าจากกันตามมาความทุกข์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นไปแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์กตา่างใจที่หลุดพ้นนี้ก็ยังอยู่อยู่ด้วยความสุขที่เรียกว่าบรมสุขนี้เองปรมังสุขขัน์อย่าไปคิดว่าปฏิบัติไปแล้วพอบรรลุแล้วใจจะอันตรธานหายไปอันนี้ไม่ใช่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 แต่อยู่ที่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าก่อนที่ได้รับการซักฟอกขณะที่ยังไม่ได้รับการซักฟอกนี้ใจยังมีแต่ความหดหู่มีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีแต่ความว้าเหวมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆพอนํามาไปซักฟอกปั๊บความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็หายไปหมดจากใจเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว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 เป็นใจที่น่ารักที่มีแต่ความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียวและจะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจเปรอะเปื้อนได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาทําให้ใจสกปรกหรือเปรอะเปื้อนนี้ได้ถูกทําลายด้วยการชำระของพระธรรมของพระเจ้าแล้วนั่นเองนี่ละ่ะคือ ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อฟังแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือนํอาออกไปปฏิบัติเอาปัญญาที่เราได้ยินเอาความรู้ที่เราได้ยินไปค่ายควรไปคอยเตือนใจสอนใจเพื่อให้เราให้ให้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรกันถ้าเราไม่เอามาค่ายควรมาพิจารณาเดี๋ยวเราก็ลืมแล้ว เราก็จะไปทำตามความอยากเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วเราก็ต้องมาทุก์มาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เราไปทาตามความอยากต่างๆไม่ได้แล้วเราต้องไปปีกวิเวกแล้วเราต้องไปหาที่สงบไปหาที่เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้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 ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพินิจพิจารณาแล้วนําเอาไปปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ก่อน ลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามอยากจะถามว่าขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าขออนุญาตหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบปัญหาถ้าใครอยากจะถามก็าถามตอนนี้ถ้าต้องการคําตอบถ้าถามตอนที่เลิกแล้วก็จะไม่ได้คําตอบ อถ้ายังไม่มีใครถามก็ให้พิธีกรนำเอาคําถามที่ทางบ้านฝากถามมาคาถามจากทางบ้านจากคุณนัทสิทธิ์หากเรานําย่ามพระที่ขอจากท่านมาใช้เป็นกระเป๋าจะดูไม่เหมาะสมและผิดไหมครับคือย่ามมันก็เป็นย่ามจะเป็นของพระหรือของโยมเพียงแต่ว่าในทางสังคมเรา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 งั้นจาย่างไปใช้เป็นกระเป๋าก็มันก็ไม่ผิดกฎหมายเองแต่ว่ามันมันไม่เป็นสิ่งที่เราเคยทํากันของที่เป็นของพระเราน่าจะไม่ไปแตะถ้าเราเป็นคาราวาสของที่เป็นคาราวาสพระก็ไม่ไปแตะงั้นเราแบ่งแยกโซนกันอย่างชัดเจนแต่สมัยนี้มีความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้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 โยมควรทำอย่างไรดีคะก็ไม่น้องทำอะไรเฉยๆไปถ้าอยากจะได้บุญก็ไปทำที่อื่นที่เรามีความมั่นใจไม่ถูกกลอกเพราะถ้าเราทำกับแม่ชีเราก็ไม่รู้ว่าเธอจะเอาเข้าไปให้กับวัดหรือไม่ถ้าเรามั่นใจว่าเธอเป็นผู้สรอาดบริสุทธิ์จะทาตามที่พูดไว้ก็ทันไปถ้าเราไม่แน่ใจกลัวจะถูกหลอกก็ไม่ต้องทำ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 ถ้ามหายใจก็เรียกว่ามีพุท ธ, ธานุสติถ้ามีลมหายใจก็เรียกว่ามีอนาปนาสตินี่คือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีอะไรกากับใจต้องมีสติมีที่ตั้งของสติจะมีพุทธโธเป็นที่ตั้งก็ได้มีลมหายใจเป็นที่ตั้งก็ได้ถ้ามีแล้วก็จะควบคุมความสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้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 เราต้องรู้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกเป็นของที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนได้เน้นไม่ต้องกังวลขอให้กังวลอยู่ที่การปฏิบัติของเราจะดีกว่าว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่หรือไม่ถ้าเรามวนมานั่งคาดคะเยไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการถ้าเราไม่คาดคะเยเรามาตั้งใจปฏิบัติทาใจให้สงบสอนใจให้ฉลาด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 เพราะเขาหนูจึงได้บทเรียนเรื่องการระงับอารมณ์โกรธก็ขอบคุณเข้าไ ป, ไปในใจก็พอไม่ต้องไปขอบคุณต่อหน้าเับเดี๋ยวเขาจะหมันไส้เอาเดี๋ยวหาว่าไปไปประดกดันเ้าอีก <c oughs> เอาท่างหนูนหมดแล้วค่ะหม ด, ดแล้ว <c oughs> จะถามควงแล้วใครต้องการถามก็มาที่ศารานี่ได้นะมาที่ไมโครโฟนแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีนีก็มาได้มาได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะเลิกประชุมโอกาสเจ้ า, า, า, กก า, จ า, าค่ะนมาสการเจ้าค่ะขออการเรียนถามว่าถ้าถ้าเราถ้าผู้นําบุญบางคนนะเจ้าค่ะ เขาเป็นสีเทาๆเป็นพาณิชย์เกินไปเงี้ยสัาขะเราควรจะวางใจกับเขายังไงดีสักขะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปหาผู้นําคนอื่นได้ค่ะคือมันทำบุญทํากับใครก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับคนนั้นคนนี้บุญอยู่ที่การเสียสละของเราดังนั้นเราไปเลือกทําของเราเองก็ได้ ก็ไปทําด้วยตัวเราเองก็ได้ก็ได้ไม่ต้องให้คนเขานาเราอย่างวันนี้มาก็เราก็มาทําที่นี่นะแล้วค่ะแล้วแล้วคือธรรมดาเนี่ยยังยั ง, ย, งยังติดในบุญอยู่ยังงกในบุญอยู่แต่ว่าก็ก็อยากจะภาวนาจ้าค่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันหรือว่าเราต้องทําไปทั้งคู่พร้อมๆอมกันเจ้าค่ะก็ถ้าจะภาวนาได้ก็หยุดการทําบุญไปก่อนก็ได้เพราะการภาวนานี่มีประโยชน์มากกว่าเพราะเงินเก็บไว้เฉยเฉยก่อนก็ได้จะทําเมื่อไหร่มันทําได้ง่าย ยกให้คนอื่นเก็ไปปุ๊บก็ได้บุญแล้วแต่ภาวนานี่มันยากกว่ากว่าจะได้ผลนี่มันต้องใช้เวลามากฉะนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาเราไปภาวนาเลยบุญนี่เราแขวนไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญก็มีอะไรก็ทำมันหนเดียวไปเลยมีเท่าไหร่ก็ทุ่มมันไ ป, ไปตเต็มหน้าตัไปเลยแล้วก็ไปภาวนาอ่าอแล้วก็ไปภาวนาเลย <laughs> นั่นแหละวิธีที่ถูกต้อง ว่นเดียวเกิ ด, เ ก, ดเกิดตายไปปูปัดจะได้มีบุญรอเราอยู่ถ้าไม่ได้ทำเงินที่เราเก็บไว้จะทำบุญก็ยังไม่เป็นบุญสาธุเจ้าค่ะ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 อันนี้เรียกว่าสติส่วนตัวจิตนี้ก็คือตัวคิดตัวรู้คิดโดยไม่มีสติก็ได้รู้โดยไม่มีสติก็ได้เช่นคนบ้า น, นี้เขาก็มีเาก็มีจิตเขาก็มีความคิดเขามีความรู้แต่เขาความรู้ของเขารูกแบบสเปสปะรู้แบบไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเหมือนกับคนเมาสุราอย่างนี้ไป แบบไม่มีสติคิดไปแล้วก็ทําอะไรไปทางความคิดโดยไม่รู้สึกตัวว่ากําลังคิดอะไรกําลังทําอะไรคําถามจากคุณวิยาดานะครับจะทําอย่างไรให้พ้นทุก์โดยไม่ยึดติดกิเลสคะก็จะพ้นทุกข์ได้ไก็ต้องไม่ยึดติดกักิเลสอะไรถ้าไปยึดติดกิเลสมันจะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือกิเลส ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องฆ่ากิเลสเท่านั้นนี่แหละการฆ่ากิเลสนี่ไม่บาปรับรองได้ไม่ต้องกลัวฆ่ายังอื่นบาปแต่ฆ่ากิเลสนี่ไม่บาปคำถามจะคุณรัตนาพรนะครับทำไมถึงมีภพคะทำอย่างไรถึงจะไม่มีภพเพราะมีความอยากมีความยึดติดเนี่ยยึดติดในร่างกายเพราะมีความอยากใช้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆพ อ, อร่างกายนี้หมดสภาพไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ได้พบใหม่ได้ร่างกายอันใหม่คําถามเจ้คุณแสงสว่างนะครับการทําจิตให้ว่างได้บุญใหม่เจ้าคะได้เลยบุญสูงสุดก็คือจิตที่ว่างนี่แหละคําถามเจ้คุณปราณีนะครับ ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจะยังรู้หมายว่าเป็นญาติเราอยู่บางคนเขาก็รู้บางคนเขาก็ไม่รู้อยู่ที่สติอีูที่ความจำของเขาบางคนเขาจำได้เขาก็มาเข้าฝันมาหาเราได้ในเวลาที่เรามีเรานั่งสมาธิเราเราสามารถรับรู้วิ ญ, ญญาณของผู้อื่นได้เขาก็จะมาติดต่อกับเราได้เช่หนหลวงปู่มั่นนี่ท่าน คืนที่ท่านมรณภาพท่านก็เข้าไปในสมาธิของลูกศิษย์คือคุณแม่ชีอแม่ชีอะไรจำชื่อไหมแม่ชีแก้วคืนนั้นแม่ชีแก้วก็เตรียมตัวว่าวันนุ้งขึ้นจะไปกับหลวงปู่เพราะเห็นว่าท่านจะใกล้มรณภาพแล้วก็เตรียมตัวจะออกเดินทางไปในตอนเช้าคืนนั้นท่านนั่งสมาธิหลวงปู่ท่านก็เสียไปพอดีหลวงปู่มั่นท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชีบอกว่าไม่ต้องมาหาเราแบบ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 เ ร, <า>เราก็ไม่สามารถรับเขาได้คือถ้าใจเราไม่เคยสงบใจเราไม่เคยหยุดคิดเลยมันก็ไม่มีช่องให้เขาเข้ามาหาเราถ้าเราสงบเราหยุดคิดเขาก็จะมีช่องที่จะเข้ามาหาเราได้ซึ่งอาจจะเป็นช่องที่เราเวลาช่วงเวลาที่เรานอนหลับเราอาจจะหยุดคิดช่วงนั้นก็จะมีช่องว่างให้เขาเข้ามาหาเราได้ถ้าก็อยากจะมาหาเรา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 เวลาเสียชีวิตเน้จิตมันก็จะตื่นขึ้นมาทันทีก่อนจะตายมันจะต้องตื่นมันไม่หลับและเวลานั้นบุญกับกรรมที่เราได้ทำมามันก็จะเป็นตัวที่จะจัดการกับจิตของเราว่าจะให้ไปอบายหรือให้ไปสวรรค์ฉะนั้นเราเรีบทำบุญให้มากกว่าบาปไวในลัวเวลาตายมันบุญกับบาปมันจะพาเราไปเองถ้าบุญมากกว่าบาบุญก็จะพาไปสวรรค์ก่อนถ้าบาสมา ก, กว่าบุญก็จะพาเราไปอบายก่อน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 มันก็สงบได้ถ้าเรามีสติที่มีกำลังมากพอแต่มันก็จะยากง่ายกว่ากันท่านนี้คำถามจากคุณธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาผมสวดมนต์ก็จะตีแผ่เมตตาก็ดีทำความดีก็ดีอย่างนี้บุญจะถึงพ่อแม่และสับประสาทไหมครับและเวลาผมเดินปิณฑบาตผมท่องบทแผ่เมตตา และได้นึกถึงสรรพรสัตว์อย่างนี้มีผลอย่างไรไหมครับก็ อ, อ, อยู่ที่ว่าการกระทำของเรามันมีผลหรื อ, อยังบางทีเราทำไปแล้วเราคิดว่ามีผลแล้วแต่ความจริงมันยังไม่มีอะไรก็ได้เพราะผลที่จะได้รับมันต้องชัดเจนเช่เนจิตเรารวมสงบนี้มีความสุขนี้ล้วก็สามารถแบ่งความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ผลแต่ นับเพียงแต่เราได้ทำน้วเราแผ่ไปเราก็ไม่รู้เราแผ่อะไรไปเพราะเราเองยังไม่ได้รับผลแล้วเราจะแผ่ผลที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราได้รับผลในอย่างแต่วิธีง่ายที่สุดก็คือไปทำบุญทำบุญปั๊บมันก็ได้ผลทันที พอถวายเงินบริจาคเงินซื้อข้าวซื้อของทำบุญไปปับใจก็มีความสุขขึ้นมาทันทีอันนั้นได้เห็นผลทันตาแต่ถ้ามาเดินเจริญมาแผ่เมตตาเรายังไม่รู้เลย ว, ว่าผลของการแผ่เมตตาเป็นยังไงล้วเราจะเอาอะไรไปแผ่เอาเราเอาอะไรไปแบ่งให้เขาดัางนั้นถ้าอยากจะแผ่เมตตาถ้าอยากจะบุทิดบุญนี้ไปทำบุญไปซื้อของถวายพระดีกว่าใส่บาทไป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 ให้มาที่พุโทโธวิธีไหนบ้างครับเคยใช้วิธีสวดมนต์พอจบบทก็เป็นเหมือนเดิมก็ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวเวลาที่น่ากลัวเวลาเครื่องบินจะตกนี่สวดกันอย่างเดียวมไม่คิดอะไรถ้ราไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันไม่มไมสวดมันขี้เกียจมันไม่กลัวต้องหาความกลัวมาขยาใจมาไลา่ใจให้ไปสวดมนต์ให้ไปพุโทโธกัน ถ้า ป, ปฏิบัติท่านถึงชอบไปหาที่น่ากลัวอยู่กันเพรเวลาเกิดความกลัวขึ้นมามันก็จะสวดอย่างเดียวจะพุโทโธอย่างเดียวจะไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่นพอพอไม่คิดอยู่กับการสวดเดี๋ยวเดียวจิตก็สงบคำถามจะคุณเจการทําสมาธิพอเรานึกพุโทโธแล้วเราจําเป็นต้องมีฐานจิตไหมครับถ้ามี เราจะมีวิธีหาฐานจิตใหม่ครับไม่ต้องหาหรอกถ้ามีพุโทโธเดี๋ยวพุโทโธมันพาไปเองถ้าอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเองคำถามาจากคุณธีระชาติหากหมดบุญจากการเป็นเทวดาแล้วจะมีโอกาสลงไปสู่การเป็นเดชะฉานโดยไม่ผ่านมนุษย์หรือเปล่าครับมันก็ต้องผ่านจุดสูงก่อนจากบวก จะลงไปลบด้านมันก็ต้องไปที่ศูนย์ก่อนนะจุดศูนย์ก็คือจุดที่เกิดของมนุษย์เนี่ยจุดบวกก็ที่เกิดของเทวดาจุดลบ ก, ก็เป็นที่เกิดของเดรัชานและสัตว์ที่อยู่ในอบายทั้งหลายดังนั้นมันจะมันจะข้ามศูนย์ไปไม่ได้มันต้องไปวาที่ศูนย์ก่อนพอไปถึงศูนย์ปั๊บมันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาทาบุญทาบาปพอมนไปติดรอบเทนน้เวลาไปก็ไปอบายได้ แต่ถ้ายังติดบ่วงอยู่ก็ยังไม่ไปตายไปก็กลับไปเป็นเทพก่อนนั้นพยายามทำบุญให้มากกว่าบาศมันก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายถึงแม้บาศ ท, ที่เคยทำมามีอยู่มันยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสเพราะบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญมันจะแสดงผลก่อนอยู่เรื่อยๆนั้นทานี้ไปแบบองคุลี่มาเนี่ยม่ก้าคนต้องก้า้ยเก้าสิบเก้าคน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 คำถามจะคุณสุกี้เป็นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานมากจะต้องทำใจเช่นไรเพื่อจะละซึ่งความกลัวน sure> ั้นเวลาเจอจะได้ไม่กลัวก็อย่าไปคิดถึงมันเวลาเจอมันก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่เรากลัวถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วใจเราก็สงบถ้าเราเห็นมันเราก็หลับตาอย่าไปมองอย่าไปมองสิ่งที่เรากลัว ถ้าใจไปคิดถึงมันก็ใช้พุทโธหยุดเหมือนพุทโธพุทโธไปหลับตาไปเดี๋ยวจิตสงบจิตไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไปคำถามจะคุณกันนพัฒถือศีลแปดแต่ยังดูเฟซบุ๊กถือว่าผิดศีลไหมคะถ้าอยากจะเคร่งคัดจริงๆก็อยากไปดูอะไรเลยเปิดตาสำรวบตาหูจมูกเน้นกาย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 ไม่มีวันสูญเนี่ยไม่มีไม่มีการที่จะทำลายหายไปไหนได้จิตนี้ไม่ตายเพียงแต่ว่าจิตนี้จะไปมีร่างใหม่หรือไม่มีร่างใหม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายอใหม่ก็เป็นจิตของพระอาหา ร, อระอาหันต์จิตของพระนาคาหมีถ้าไปมีร่างกายใหม่ก็ยังเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์คำถามชักูลิตา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 คำถามจากทาง YouTube จากลาสเวกัสนะครับ mm hmm. uh, จากคุณโทนี่โรมิโอนะครับ Good a f t อ r n o o n อาจารย์ my question is what can I do to get past the fear of deaththere to to step to get rid of fear of deaththe first step is when you have fear of death you should stop thinking about it by using some some form of diversion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 You still alive after body is dead, so there's no need to be afraid of t h a t because you you can never die, the mind can never die. If you can see this truth and accept this truth, then you will not be afraid forever. คำถามจากผู้ฝากถามนะครับมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูโกรธ แต่คราวนี้ไม่ได้พูดระบายความรู้สึกโกรธถามแล้วถามวาม่วาหมดแล้วเหรอหมดครับอาจารย์ก็อพอดีคิดว่าพอสมควรแก่เวล า, วาวก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ